ใช่ค่ะระพินเขาภูมิใจในตัวน้อยมากค่ะน้อยทราบเขาสามารถเปลี่ยนแปลงน้อยไปจากสภาพเดิมที่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อนไปจนหมดสิน้นและน้อยก็ภูมิใจในตัวเขาชายผู้ยากไร้ทรัพย์สมบัติวัตถุธรรมแต่มั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยมนุษยธรรมและคุณธรรมคนนั้นและเขาก็ยังสามารถจูงใจให้บุคคลอื่นๆที่ได้สัมผัสผ่นผานพบเขา ได้มีมนุษยธรรมและคุณธรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วยแม้ว่ามนุษยธรรมคุณธรรมกําลังจะถูกละทิ้งซะแล้วในมนุษยชาติปัจจุบันนี้จริงจริงแต่มันก็น่าแปลกนะที่เราทั้งหมดได้มาพบกับมนุษยธรรมและคุณธรรมเอาในคนที่มีชีวิตอยู่ในป่าดงพงไพรแต่หาไม่พบเลยในดินแดนของอารยธรรม เชษฐาเอ่ยขึ้นเสียงต่าลึกในลำคอแล้วกล่าวต่อมาอีกว่าเออเนี่แตะกี้นี้เธอบอกกับพี่ๆว่าเราจะไม่ได้พบเขาที่เมืองของวายาอย่างนั้นเหรอค่ะไม่พบและจะไม่ได้ข่าวใดๆของเขาจากที่นั่นแน่นอนเออดูเหมือนกับเธอจะรู้นะว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนชายันแทรกขึ้นเหมือนจะกาหนดใจหลอน ใช่ฉันรู้แล้วถ้าเราจะไม่พบเขาก็จะไม่มีโอกาสได้พบอีกเลยตลอดทั้งชีวิตนี้แต่ถ้าเราจะพบก็มีอยู่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นหล่อนพยักหน้าไปทางด้านเหนืออันมืดสนิทในม่านรัติกาลที่นั่นตำแหน่งที่ขุนเขาจรดขอบฟ้าที่วาจรดราตรีกาล ถ้างั้นอนุชาซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นฝ่ายคัดค้านน้องสาวคนเล็กอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับขณะ น, นี้เปลี่ยนท่าทีไปอีกอย่างหนึ่งในเชิงคล้อยตามหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นการพูดเพื่อเอาใจน้อยถ้างั้นใจพี่กะลุงอินเปลี่ยนทิศทางตั้งแต่พรุ่งนี้ดีไหมแทนที่เราจะมุ่งเข้าภูเขานิ่ลการเราแสวงหาลู่ทางตัดเข้าเนินพระจันทร์เลยดีปะ่ะหญิงสาวยิ้มจาง สันษีสะแช่มชาไม่ลคะคะตำแหน่งที่เราอยู่ในขณะ น, นี้เป็นคนละตำแหน่งคนละทิศทางกับฝ่ายของรพินเราจะไม่มีวันไปถึงเนินพระจันทร์ได้โดยไม่ผ่านเมืองของวายาส่วนตำแหน่งของเขานะ่ะละเว้นจากการผ่านเมืองของวายาได้แต่น้อยแน่ใจนะคะว่าเราจะไม่เสียเวลากันมากนักในการเดินทางต่อไปนี้มันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว สำหรับสองกรณีคือหนึ่งพวกเราวิบัติพินาศกันซะก่อนหมดทั้งคณะหรือมิฉะนั้นก็จะได้พบเขาที่หิมะพานบันพศหรือเทือกพระศิวะอย่างใดอย่างหนึง่งรู้กันเร็วๆนี้ล่ละคะ่ะนี่ดูเธอผิดแปลกไปมากนะในคืนเนี้ยและดูจะเกิดความมั่นใจขึ้นอย่างมากมายเหลือเกินเหมือนเหมกันจะมองเห็นอะไรงั้นแหละ น้อยเชื่ถาจ้องหน้าอย่างค้นหาค่ะพี่ใหญ่น้อยมั่นใจอย่างที่สุดด้วยเสียงของหล่อนเบาก็จริงแต่หนักแน่นแต่โปรดจะได้ถามว่าน้อยเอาความมั่นใจอย่างนี้มาจากไหนเลยนะคะความรู้สึกใหม่ๆแปลกๆอันเป็นกระแสข่าวทางประสาทสัมผัสที่หกเนี่ย มันค่อยๆผ่านเข้ามาในมโนภาพของน้อยเป็นระยะๆเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะอธิบายได้อย่างเด่นชัดออกไปด้วยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรลักษณะไหนพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชายันมาอยู่พร้อมหน้ากันต่อหน้าน้อยเดี๋ยวนี้แล้วขอให้เรามาทําความตกลงกันสัก่อนที่จะถึงรุ่งเช้าของวันนี้ได้ไหมคะเพื่อไม่ให้เกิดข้อปัญหาขัดแย้งภายหลังตกลงอะไรอะ่ะ สามชายถามขึ้นพร้อมกันราวกันนัดไว้ก็ในเส้นทางต่อไปข้างหน้าไงคะอันจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่กลางกับลุงอินก็ทำหน้าที่นำทางต่อไปตามปกติแต่ถ้าน้อยย้ำว่าท่านะคะถ้าน้อยมีความรู้สึกขึ้นมาว่าควรจะบ่ายเบนหรือตัดเส้นทางในด้านใด ขอรับฟังน้อยบ้างได้ไหมคะอนุชา ย, ยกมือขึ้นรูปปรางอันเย็นเฉียบของเขาช้าๆในขณะที่เชษดาและช ย, ยันจ้องมองดูทั้งสองคนสลับไปมาและเงี่ยหูสดับฟังอยู่อึดใจใหญ่อดีตพรานชดประชากรจึงเอ่ยขึ้นมาเสียงขึ้งๆว่าเอาล่ะพี่ยอมรับ ว่าพี่จะไม่มองผ่านข้อแนะนําในเส้นทางเดินของน้อยใช่สรุปก็คือเราต้องช่วยกันหลายๆหัวคิดหลายๆความเห็นไม่ว่าจะเป็นน้อยพี่ใหญ่ชายันหลุงอินหรือแม้แต่ขยินก็จะต้องมีส่วนร่วมในด้านแสดงความคิดเห็นเพื่อการตัดสินใจได้ทั้งสิน้นพี่จะไม่ผูกขาดความเห็นไว้แต่เพียงคนเดียว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องวางรากฐานอยู่บนเหตุผลและความเห็นของฝ่ายข้างมากเป็นหลักเกณฑ์นะไม่มีคําพูดโต้ตอบใดๆจากดารินอีกในเรื่องนี้นอกจากอาการถอนใจลึกและเชษฐาก็ได้แทรกขึ้นมาว่าอ่ะเราก็อย่าเพิ่งมาโต้เถียงหรือหาบทสรุปหรือข้อตกลงอะไรที่มันเด็ดขาดกันลงไปก่อนในขณะนี้เลย เส้นทางข้างหน้ามันยังอีกไกลแล้วก็แสนจะลำเคนนักค่อยๆพิจารณาไปทีละขั้นดีกว่าเอาเป็นว่าก่อนตะวันขึ้นก่อนที่จะพร้อมออกเดินทางได้เราก็ควรจะพักเอาแรงกันไว้อีกหน่อยก็ยังดีกว่าที่จะมาพูดเรื่องเคร่งเครียดอะไรในระหว่างพวกเรากันเองเพราะสถานการณ์ที่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่เนี่ยมันก็แสนจะเครียดเต็มทีแล้วไปไปไปไปเข้านอนต่อดีกว่า ว่าแล้วฝ่ายหัวหน้าคณะก็ต้อนทุกคนโดยสั่งให้กลับเข้าประจำที่ซึ่งพวกลูกหาบก็ต้องจัดขึ้นใหม่อีกครั้งภายหลังที่อาศัยนอนแรมคืนได้กระจัดกระจายยุ่งเหยิงออกไปเพราะพายุลูกเห็บที่เข้ามาเยือนเสมือนจะเป็นการทักทายหกนาฬิกาท้องฟ้ายังมืดมิดทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกันอีกครั้ง มือคว้าปืนโดยอัตโนมัติเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งสะเทือนเลื่อนลั่นฟังดูผาดผาดว่ามันน่าจะเป็นเสียงฟ้าคำร่นมาแต่ไกลในครั้งแรกเสียงนั้นแทรกมาในทุกอนันดูของบรรยากาศแวดล้อมอันหนาวเย็นระดับจุดน้ําแข็งพอมันก็หึ่มขึ้นอีกครั้งทั้งคณะก็ดึงกายขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วราวกับจะนัดกันไว้เหมือนความฝันร้ายที่กลายเข้ามาเยืน เชษฐาชยันดารินและขยินสิครังสำเนียงเสียงประหลาดที่อนุชาและครูพรานนันอินตลอดจนพวกลูกหาบทั้งสิบคนไม่เคยได้ยินมาก่อนนั้นมันเตือนความทรงจำสยองทำให้เส้นโลมาลุกชันขึ้นสำหรับกลุ่มสี่คนที่เคยผ่านมาก่อนแล้วมันเป็นเสียงต่ำสะเทือนขึ้นก่อนลากยาว แล้วแผลดเป็นเสียงแหลมสูงสะบัดขึ้นในตอนท้ายอย่างงุ่นง่านโดยทุกสดรรกษาทที่สะดับฟังอยู่พร้อมกันในขณะนี้ไม่อาจเลียนเสียงหรือบรรยายได้ถูกว่าลักษณะของเสียงมันใกล้เคียงกับเสียงอะไรประเภทไหนเหมือนเหมือนกับซาวเอฟเฟกที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นแล้วนำเข้าเครื่องขยายเสียงประมาณหนึ่งวัตต์ผ่านลำโพงยักษ์ออกมา ขนาดชะง่อนหินที่ทุกคนก็ามาอาศัยหลลับนอนอยู่ในขณะนี้สั่นไหวและเศษฝุ่นละอองผสมกับลูกเห็บที่หล่นลงมาติดค้างอยู่ร่วงกราวลงมาเฮ้ยเจ้าปลาเจ้าเขาอย่าล้อเล่นนะเสียงชยานอุทานเร็วเปลือกมาอย่างลืมตัวรีบผลักไรเฟินจุดสี่ห้าปที่ฉวยขึ้นมาด้วยความตกใจในครั้งแรกลงจากตัก เอื้อมือไปคว้าหมับเข้าไปที่เครื่องยิงระเบิด40ม ม, มแบบ M79 เชื่อถ้าขมวดคิว้วเมม่ยริมฝีปากแน่นตาเบิกโพรงขยินนั้นแยกเขี้ยวหดคอลงเอามือทั้งสองอุดหูไวเหมือนในชีวิตนี้ของมันไม่อยากจะได้ยินเสียงประเภทนี้อีกดารินนั่งยืดกายตรงสงบนิ่งข้างอนุชานานอินและพรานลูกหาทั้งหลาย ต่งหันหน้ามองกันอย่างเลือกลักเอเสียงมันคล้ายๆฟ้าร้องนะนายชดแต่มันดังแปลกพี่ลึกนานอินพึมพำขึ้นกับอนุชาไม่ไม่ใช่เสียงฟ้ารักลุงนั่นมันเสียงนรกมากกว่าไอ้ฟ้ามันไม่ร้องดังเว้าวฮอกแบบนี้รักลุงชายันร้องบอกมาแทบจะลิ้นพันกันพี่ใหญ่ครับ เสียงต่ำของอนุชาเรียกเชษฐถามาพี่อยู่นี่กลางพี่ใหญ่ว่ามันหรือเปล่าไอ้เจ้าของรอยเท้าที่เราไปเห็นรมนิมหนองเมื่อหัวค่ำเนี่ย <ST AR> คิดว่าพี่ฝันไปนะแต่ถ้าทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดมันก็คงไม่ใช่ความฝันหรอกนะ <ST AR> นนได้ยินไหม ดารินยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้ายังไม่ได้ตอบคำใดในขณะนั้นเชษฐาจึงถามไปทางขยินไอ้เจ้านั่นบอกมาปากคอสันว่ามันละมันละนะใหญ่มันดังอยู่ใกล้ๆนี่เองไอ้ตัวฟันมากๆตัวใหญ่ทะพุเขาเสียงมันดังมาจากเนินเหนือหนองน้ำนู่นเฮ้ยไทยรันแน่หรอครับอนุชาร้องถามมาอีก หากกลํากล้องเอ็มเจอีกระบกหนึ่งเพื่อตรวจดูกระสุนระเบิดที่บรรจุอยู่ก่อนแล้วเมื่อตอนหัวค่ำพบว่าปลอกส่วนท้ายยังจมมิดอยู่ในช่องรังเพลิงพร้อมกับหักกลับเข้าที่อย่างรวดเร็วไม่มีซอรัสพวกไหนจะคำรามได้ดังไปกว่าไทยรันอีกแล้วเท่าที่พวกพี่เคยพบมาในครั้งก่อนเสียงตอนไทยของเชิฐาถูกกลบหายไปกับเสียงคำรามกึก ก้องช่วงยาวที่ดังมาเป็นครั้งที่สามและน่าจะจริงตามที่ขยีนกำหนดทิษที่มาเอาไว้ซส่งมันดังมาจากทางด้านแอง่งหรือหนองน้ำที่ไปสำรวจดูกันเมื่อหัวค่ำนี่หรือมีฉะนั้นก็อาจจะห่างออกไปเล็กน้อยบนฝั่งของเนินหินด้านตรงข้ามกับที่ทุกคนพักอยู่ในขณดนี้ระยะมันไม่ควรจะห่างเกินกว่า300อเมตร ระหว่างที่ทุกคนไหวตัวพรึบกันอีกครั้งอาวุธและไฟฉายพร้อมในมือดารินยังคงนั่งเฉยอยู่ในอาการเดิมมองดูผาดผาดเหมือนอยู่ในภาวะตะลึงทำอะไรไม่ถูก1 8ึ้นานอินกับอนุชาขยับตัวจะลุกขึ้นแต่ฝ่ามือของดารินเหนียวไหลบุคคลทั้งสองไว้ข้างละมือกดให้นั่งลงตามเดิม จะออกไปครับพี่กลางคุณอินด้วยพวกเราทั้งหมดนะ่ะนั่งสงบกันอยู่ในนี้แหละเสียงมันใกล้กลแค่นี้เองนะ่ะนายหญิงมันอาจเข้ามาถึงที่เราพักกันอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อไหร่ก็ได้นานอินกระซิบอาการของแกดูสงบก็จริงแต่ภายในไม่สู้จะสบายใจนะักเรายังทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละตราบใดก็ตามที่มันยังมืด อ, อยู่แบบนี้ ไฟใช้ส่องสัตว์ของเราไม่มีผลอะไรหรอกสําหรับลําตัวที่ใหญ่เรากระพูกเขาและสีกลืนหินเช่นนั้นถึงจะส่องไปพบเราก็จะสังเกตไม่ได้ถนัดแต่ตรงข้ามถ้ามันเห็นเราเมื่อไรมันจะพุ่งก็มาหาเราได้รวดเร็วมากเชื่อฉันเถอะเพราะฉันเคยพบกับไอ้ตัวชนิดนี้มาแล้วทางที่ดีที่สุดก็คือลบนิ่งอยู่ที่นี่แหละเราดูท่าทีการเคลื่อนไหวของมันอย่าออกไปเป็นเป้าหมายให้มันเห็นได้ ระบบคานาประสาสตของมันเป็นไงมั่งหมายถึงการดมกลิ่นอะอนุชาถามขึ้นเลยลอยไปยังบุคคลที่เคยผ่านพบมาแล้วอันหมายถึงเชฐาชยยันดารินรวมทั้งขยินการดมกลิ่นของมันนค่อนข้างเลวเชฐาบอกมาเสียงแผ่วเบาพยายามปรับสติอารมณ์ลงให้เป็นปกติจมูกมันไม่ไวเหมือนสัตว์อื่นหรอก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้กลิ่นซะเลยนะถ้าหากว่าเหยื่ออยู่เหนือทางลมสายตาก็ไม่สู้จะดีนักแล้วก็ไม่สะท้อนแสงไฟด้วยถ้างั้นนั้นอินจะออกไปตรวจทิศ ท, ทางลมก่อนและกันในายใหญ่ครูพรานพูดเท่าบอกแล้วเรียกขยินส่งภาษาให้อู้เรือ่องทั้งสองค่อยๆ ค, คลานออกไปจับใต้เพิงหินสิงเชฐาเตืนมาข้างหลังว่าอย่าใช้ไฟฉายไปนั้นขาดนะ มันอาจมองเห็นแล้วก็ตามลำแสงเข า, าก็ไ้นั้นอินรับคำแล้วกับขยินสองคนก็คืบออกไปสู่บริเวณด้านนอกของเพิงพักซึ่งบัดนี้ยังมีกระแสลมโชยพัดอยู่พวกลูกหาบซึ่งไม่รู้อะไรมาก่อนเลยนอกจากตื่นขึ้นเพราะเสียงคำรามกึกก้องนั้นพากันซักถามมาทางฝ่ายเจ้านายอนุชานั่นก็ยังอึ้งอยู่เพราะไม่รู้จะตอบเช่นไร เทถาจึงกล่าวกลอบใจพวกนั้นว่าไม่มีอะไรหรอกฟ้าร้องอะเพียงแค่มันร้องแปลกไปเท่านั้นใครจะนอนพักต่อไปก็นอนได้เลยเอาไว้เห็นแสงตะวันซะก่อนเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นฟ้าร้องแน่เรอนายใหญ่เสียงสันส่นๆของนายชวนหัวหน้าลูกหาบอุทานมาอย่างพิษสวุมคลางแคลง พวกผมไม่เคยได้ยินฟ้าร้องดังเหมือนตัวอะไรมันคำรามแบบนี้มาก่อนเลยแล้วลุงอินกันขยินสองคอนนั้นออกไปไหนล่ะคำถามอย่างฉลาดของพรานพื้นเมืองอันแท้ที่จริงก็คือบริวารที่หนองน้ำแห้งของระพินเหล่านั้นทำเอาฝ่ายนายจ้างรู้สึกอึดอัดย่างยิ่งในการที่จะตอบอะไรให้จะแจ้งออกไปได้พวกเราก็ยังไม่รู้แน่เหมือนกันนะ ว่าทำไมเสียงฟ้าร้องมันถึงได้ฟังดูแปลกประหลาดแบบนี้แต่นะ่ะไม่ว่ามันจะเป็นเสียงฟ้าเสียงฝนหรือเสียงอะไรก็ตามพวกเราไม่กลัวมันไม่ใช่เหรอท่านหัวหน้าคณะกล่าวปนหัวเราะเป็นการปลุกปลอบเจ้านายและลุงอินอยู่กันครบอย่างนี้พวกเราไม่กลัวอะไรหรอกแต่พวกเราสงสัยอ่ะดีมากดีมากไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแหละ ทุกคนที่มาด้วยกันนี่เป็นลูกน้องน้ำแห้งของกระพินทั้งนั้นในป่าอาถรรพ์ที่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่ตอนนี้มันก็มีอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยพบเคยเห็นปรากฏอยู่เสมอแหละแล้วลเราก็ฝ่าฟันผ่านมันมาได้ตั้งครึ่งทางฮะลุงอินกับกระยินออกไปดูอะไรหน่อยประเดี๋ยวก็กลับเข้ามาพวกเราอยู่ที่นี่แล้วนะคำตอบของเชิฐาทำให้นายชวนและพวกลูกหาดทั้งหมดสงบนิ่งไป แต่ไม่มีใครยอมเองนตัวลงนอนนอกจากนั่งกอดปืนซุบซิบอะไรกันอยู่เองเบาๆหัวใจของตละลักคนเต้นระทึกยังไงบอกไม่ถูกเพื่อไม่ให้พวกลูกหาบฟังได้เข้าใจเชษฐาอนุชาชายันและดารินจึงกระซิบตอบโต้กันเองเป็นภาษากรงกษนี่ก่อนที่พวกเราจะเข้ามาอาศัยหลบพักอยู่ใต้เพิงหินตรงนี้เนะี่ย เคสังเกตบ้างหรือเปล่ากลางว่าพอจะมีซอกโขดหินใหญ่ๆชนิดที่พวกเราพอจะอาศัยซุกตัวเข้าไปหลบอยู่ข้างใต้โดยไม่ให้มันพริกก้อนหินควานหาตัวพวกเราได้บ้างไหมเพราะถ้าจําเป็นเราต้องทําตัวเป็นมดหรือมแมลงเล็กๆ เ, เข้าหลบซอกหินกันก่อนละ่ะมันจะต้องใหญ่และแข็งแรงพอที่จะแม่มันคุยเขยื่นหรือผลักออกได้ด้วยชนะเชะยันถามเบาๆไปทางอนุชาอีกฝ่ายหนึ่งเม้มปาก คิดทบทวนแล้วสายหน้าช้าๆภูมีประเทศที่เราเดินผ่านมาแล้วจนกระทั่งเข้ามายึดใต้เพิงที่นี่มันเป็นป่าหินสลับกรวดทรายเตี้ยๆเท่านั้นน่ะไม่มีโขดหินขนาดใหญ่ๆพอที่จะมุดตัวเข้าไปได้เลยป่าหินใหญ่ไปอยู่ทางด้านเหนือหนองฝั่งน้นที่เราได้ยินเสียงมันร้องคำรามนั่นทางทางด้านโน้นแหละวะยุ่มละสิ ถ้ามันร้องสำแดงอำนาจของมันเฉยๆก็แล้วไปแต่ผ่านไว้ท้งอื่นก็บุญนะแต่ถ้ามันได้กลิ่นพวกเราเกิดบายหน้ามาทั้งนี้เป็นได้สนุกกันยกใหญ่อะยิ่งมื่นๆมองอะไรไม่เห็นแบบนี้ด้วยชัยันครางออกมาเข้าใจว่ามันคงไม่ได้กลิ่นเราหรอกแต่ที่ร้องขึ้นน่ะอาจจะเป็นเพราะหนีพายุลูกเห็บมาจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งใกล้เคียงละแวกนี้อ และคงจะยึดเอาป่าหินเป็นที่กำบังตัวเหมือนเราเหมือนกันก็โชคดีมากนะที่พายุลูกเข็บนะพัดอกองไฟของเราดับหมดนี่ถ้ายังมีแสงสว่างจากกองไฟหรือกลิ่นฟันไฟก็อาจจะเป็นการเรียกให้มันเข้ามาทางด้านนี้ก็ได้เอจะทำยังไงกันดีละว่าไอ้นี่มันตัวอุปสรรคสำคัญจะไม่ให้เราออกเดินทางไว้ได้ตลอดรอดฝั่งนักะ ลแกไม่เคยร่วมกับพวกเราสี่คนเนี่ยประจนกับไอ้ยักษ์ชนิดนี้มาก่อนแกก็เลยยังไม่รู้ฤทธิ์เดชแท้จริงของมันขนาดระพินกัแเงซายยังเกือบเอาตัวไม่รอดเลยช้างโบราณตัวใหญ่กว่าช้างในป่านอกตั้งเกือบสิบเท่าถูกมันกระยั่มทีเดียวนะแทบขาดสองท่อนมันกัดกินสัตว์มีชีวิตทุกชนิดที่ขวางหน้าตะกละแล้วก็เสือกินจูอีกด้วย โหดเหี้ยมดุร้ายแล้วก็มุมามาเป็นที่สุดนั่นนะ่ะคือสิ่งที่เราพบกันมาแล้วแล้วไอ้เจ้าของรอยตีนที่เราพบครั้งใหม่เนี่ยดันใหญ่กว่าตัวที่เราพบซะอีกระหว่างที่ชัยยันบ่นอย่างวิตกทุกคนเงียบกันไปขณะนั้นฝ่ามืออบอุ่นของดารินก็วางลงมาบนหลังฝ่ามือที่กําลังอุมคอปืนหรือเครื่องส่งระเบิด 40ม ม, มกระบอกนั้นทำใจให้สงบไวเถอะชยันดารินกระซิบที่ริมหูเขาพร้อมกับบีบมือแน่นฉันมีความมั่นใจว่าเราจะได้ยินแต่เสียงและเห็นร่องรอยต่างๆของมันเท่านั้นแหละแต่จะไม่ต้องพบพเผชิญหน้าหรือต้องทำสงครามกับมันอีกเหมือนคราวก่อนหรอกเทพเจ้าฟ้าดินอาจจะทดสอบประสาทของเรา เป็นการลองเชิงก็ได้ในการที่เราล่วงล้ำเข้ามาใกล้ปูเขานิลการแล้วแบบนี้จงเชื่อฉันดิว่าเราจะไม่มีกา ร, รเผชิญหน้ากับมันอย่างเด็ดขาดขอเพียงให้ภาวนาถึงพระพุทธคุณและพระอาหารหันตเจ้าเข้าไวเ้เถอะโดยเฉพาะมหาฤาษีกนธัญญะนี่นี่เธอแน่ใจถึงขนาดนั้นอยู่หรอเสียงของมันเหมือนจะมาร้องอยู่เหนือหัวเราหยกโยกอยู่นี่เองนะ นั่นแหละฉันแน่ใจไม่ว่าจะได้ยินเสียงมันร้องได้เห็นร่องรอยหรือได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวยังไงเชื่อสิเราจะไม่ประจันหน้ากับมันอีกแล้วทั้งสามชายพยายามจะจ้องหน้าน้องสาวคนเล็กผู้มีความรู้สึกในด้านแสดงออกแปลกๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะพยายามค้นหาอะไรบางอย่างอันยังไม่อาจเข้าใจได้ ไม่มีเขาไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่น้อยพูดหรือแสดงความมั่นใจอย่างยิ่งยวดของเขาในขณะนี้บ้างไหมรอยก็เห็นแล้วเสียงของมันก็ได้ยินแล้วอยู่ใ ก, กล้ๆนี่เองนี่น้อยยังพยายามที่จะให้พวกเราเลิกสนใจกับไอ้เจ้าตัวประหลาดชนิดนี้การพูดปลอบใจกันนะมันก็ดีอยู่หรอกแต่พูดและทําให้พวกเราเกิดความวางใจกลายเป็นความประมาท มันจะทำให้พวกเราพินาศกันไปหมดน้อยต้องเข้าใจนะว่าพวกพี่และทุกคนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเสมอถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครพร่นหรอกไม่ว่ามันจะใหญ่สักขนาดไหนแต่ถ้าน้อยมัวแต่คิดในทางดีอยู่แบบนี้พี่ว่ามันไม่ค่อยจะเข้าท่านะอนุชาพูดขึ้นน้ำเสียงเคร่งเอาละค่ะพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชัยยัน พอจะฟังในสิ่งที่น้อยจะพูดต่อไปนี้ได้ไหมหรือจะไม่ยอมรับฟังอะไรเลยอ่ะไหนลองว่าไปสิถ้าน้อยมีเหตุผลอะไรอยู่ในขนาดเนี้ยเชิถาพยักหน้าบอกมาเรามาทดลองกันง่ายๆก่อนดีกว่านะคะน้อยวันนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงตะวันขึ้นเราจะไม่ได้ยินเสียงคำราม หรือเสียงของการเคลื่อนไหวใดๆของมันอีกแล้วซึ่งถ้าเป็นอย่งงางนั้นจริงก็แปลว่าทฤษฎีที่น้อยคิดไว้ถูกต้องและอื่นๆก็จะต้องถูกต้องตามที่น้อยพูดด้วยอะน้อยพูดแบบนี้ยิ่งพูดพี่ก็ยิ่งงงหนักขึ้นอีกอะพี่ชายใหญ่ของคณะบอกมาเสียงต่ําๆเธอค่ะเราอย่าเพิ่งพูดอะไรกันในตอนนี้เลยเอาเป็นว่ารอฟังไปดีกว่า รอว่าจะมีเสียงคำรามหรือเสียงของการเคลื่อนไหวตัวใดๆของมันเกิดขึ้นอีกหรือไม่ยังไงพระน้อยก็อยากจะทราบเหมือนกันและถ้ามันเป็นไปอย่างที่น้อยว่าเนี่ยน้อยจะอธิบายพวกพี่ทุกคนทราบว่าอะไรเป็นเหตุผลและอะไรคือทฤษฎีที่น้อยว่าถือว่ามันจะไม่ทาเสียงให้ปรากฏขึ้นอีกอย่างนั้นใช่ไหม ชัยยันย้ำคำมาอย่างฉงนใช่ฉันกําลังภาวนาขออยากให้เราได้ยินเสียงมันอีกเลยอย่างน้อยก็ก่อนจะเห็นแสงตะวันของเช้าวันนี้นี่น้อยถ้าเธอบอกว่าเธอจะเสกคาถาไล่มันแล้วก็เลิกพูดกันทีฉันว่าเธอเพ้อเจ้อใหญ่แล้วเพื่อนชายว่ายัางไม่ศรัทธาชัยยัน ฉันน่ะไม่มีคาถาอาคมวิเศษอะไรที่จะไปสงบเจ้าไทยรันตัวนั้นได้หรอกแต่ฉันมั่นใจในทฤษฎีอะไรอย่างหนึง่งซึ่งจะอธิบายภายหลังทว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโชคหรือเคราะห์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นฉันถึงต้องภาวนาขอให้ทฤษฎีนั้นเป็นความจริงขึ้นมาทฤษฎีนี้ฉันไม่ได้คิดตั้งขึ้นมาเองฉันได้รับความรู้จากเมียเมียของเธอนั่นแหละ เมย์เป็นคนบอกกห้ฉันฟังภายหลังจากที่เรามาถกเถียงสนทนาหารือกันเมื่อเราออกพ้นเหตุการณ์มาแล้วฉันคิดว่าเมย์ให้ข้อคิดที่ถูกต้องแกฉันมากที่สุดเพียงแต่เขาพูดับฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ได้พูดกับคนอื่นฟังด้วยอ่ะแล้วแล้วเมย์บอกอะไรเธอน้อยชยันหูพึง่งถามมาเสียงเร็วหรือมเดี๋ยวฉันถึงจะบอก ว่าเมย์ได้ให้ทฤษฎีอะไรแก่ฉันไว้เพื่อวิเคราะห์ในสิ่งที่เราได้ผ่านพบมาแล้วในการเดินทางครั้งก่อนซึ่งสิ่งแปล ก, ป, ลกประหลาดประหลาดเหล่านั้นเราจะไม่สามารถนําเอาไปเล่าให้ใครฟังได้นอกจากพวกเราที่รู้เห็นกันเองเท่านั้นเอาเป็นว่าสงบใจรอผลพิสูจน์ขั้นแรกนี่สัก่อนคือเรากําลังสดับรับฟังเสียงของเจ้าไทรันตัวนั้นว่ามันจะปรากฏไหมเราได้ยินอีกหรือไม่อย่างไร ตอนนี้ก็ขอความกรุณาเงียบใครอย่าได้ซักถามอะไรฉนันอีกคอยฟังไปแล้วกันทุกคนยังอยู่ในสภาพมึนงงไม่เข้าใจคำพูดของดารินแต่ทั้งหมดก็เงียบสงบกันไปได้แต่เงียหูคอยสดับสับประสำเนียงทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็รอคอยการกลับมารายงานถึงสภาพทิศทางลม ของนานอินและขยินที่ชวนกันเร้นกายฝ่าความมืดหายออกไปเวลาผ่านไปด้วยความอึดอัดกระสับกระส่ายของทุกคนท่ามกลางความเงียบสงบของภูมิประเทศที่แวดล้อมอยู่และต่อมาแสงสว่างรางๆก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า เป็นจริงตามที่ดารินวราฤทธิ์บอกไว้ทุกอย่างเสียงของเจ้ายักษ์ไทยรันไม่ได้ปรากฏขึ้นอีกเลยภายหลังเมื่อมันได้คำรนกึกก้องสะท้านสะเทือนขึ้นติดต่อกันผ่านไปแล้วจนทำให้ทุกคนต้องผุดลุกขึ้นมานั่งระวังเตรียมพร้อมอยู่ในขณะนี้ไม่มีแม้แต่เสียงของการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่าง ตกอยู่ในดึกษณียภาพทั้งหมดเริ่มจะมองเห็นใบหน้ารางในแสงแรกของอุาสาสสงดาริงยิ้มให้แก่ทุกคนประสานมือเข้าหากันแล้วเหยียดออกไปดัดแขนอย่างเมื่อยขบดวงตาของหล่อนดูจะมีประกายแห่งความลึกลับบางอย่างที่เชาิชาชัยยันและอนุชาไม่อาจค้นพบได้ขณะนั้นเอง ครูพรานนานอินและขยินที่พากันหายเงียบออกไปนานก็ย่องกลับเข้ามาเราอยู่เหนือลมมันแน่นอนนะเจ้านายตอนนี้เข้าใจว่ามันคงหลบไปอยู่ป่าหินฝั่งคโนนหลบนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันคงดักเอาเราแน่เสียงนันอินรายงานอย่างร้อนใจไม่รอกลุงอิน ไม่มีมันอยู่ในละแวกใกล้เคียงพวกเราในขณะนี้อีกแล้วแม้ว่าตอนที่มันคำรามอย่าดูเหมือนว่ามันอยู่ใกล้ๆเราก็ตามพวกพี่ๆร้องเอ๊ะส่วนนันอินและขยิงที่กลับมาถึง้วยใบหน้าซีดเซียวมองหน้ากันเองเลิกหลักมันยังไม่ได้ไปไหนหน้าไหนหญิงถ้ามันไปเราก็ต้องได้ยินเสียงแน่นอน ดารินพยักหน้ารับว่าใช่ถ้ามันไปโดยที่มันยังอยู่ฝั่งคโนนตามที่เราได้ยินเสียงแต่แรกเราก็จะได้ยินเสียงการเคลื่อนตัวของมันอย่างแน่นอนแต่วิธีมาและ ว, วิธีไปของมันคนละอย่างกันเราจึงไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วหล่อนก็หันมาทางกลุ่มของพี่ๆที่จ้องตาเขม็งอยู่ อย่างที่สุดสุดที่จะพิษสวงกล่าวต่อมาว่าถูกต้องตามที่น้อยพูดใช่ไหมคะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรจากมันอีกจนสว่างทั้งสามชายอึ้งชายันและอนุชาสะบัดหน้าอย่างมึนงงไม่อาจเข้าใจอะไรในความหมายของหล่อนได้เลยส่วนเชษฐาพยักหน้ามาพร้อมกับพูดว่าเอาละเอาละ เป็นนั้นว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรจากมันอีกเลยจนกระทั่งสว่างคราวนี้ถึงเวลาอย่างที่น้อยจะอธิบายเหตุผลหรือทฤษฎีอะไรของน้อยที่อ้างว่าได้รับรู้มาจากเมพี่ก็ ง, งงเต็มที่เหมือนกันเนี่ยด้วยอาการอันเต็มมาด้วยความมั่นใจผสมไปกับความพึงพอใจอย่างลึกลับดารินสั่งให้หนานอินและขยินปฏิบัติหน้าที่เตรียมอาหารเช้าตามปกติอันเป็นกิจวัตร และบอกนายชวนให้ตรัสเตรียมเก็บของเพื่อรอการออกเดินทางต่อทั้งสามชายเฝ้าจับตามองหล่อนอย่างพินิษ ด, ด้วยความประหลาดใจเงียบๆชั่วครู่ใหญ่เนาอสาวคนเล็กของคณะยิงกลับเข้ามานั่งรวมกลุ่มแล้วหล่อนก็เริ่มขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงปกติแต่หนักแน่นจริงจังพี่ๆทั้งสมคนเคยได้ยินคำนี้มาก่อนบ้างไหมคะ ปรากฏการซ้อนเหลื่อมของการเวลาอะไรนะทั้งสามคนถามมาด้วยเสียงตวัดสูงเอียงหน้าเข้ามาใกล้การซ้อนเหลื่อมของการเวลาค่ะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบ้างไหมอะไรการซ้อนเหลื่อมของการเวลาเชษดถาทวนคำ ช, ช้าๆอย่างงุนงง ในขณะที่อนุชาและชัยันหันหน้ามองกันเองอยู่ไปมาไม่เคยได้ยินอะแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายด้วยว่ามันคืออะไรและมันเป็นยังไงอะอนุชาบอกคาวหน้าแสดงถึงความไม่เข้าใจอะไรทั้งสิน้นแล้วหันไปถามชัยันว่าเออแล้วแกเข้าใจที่น้อยพูดมันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันบ่ ชายันสันหน้าอยู่ไปมาแล้วมือตบขมับตัวเองทุกคนของฝ่ายพี่ชายจ้องขม็งมาที่น้องสาวคนเล็กของคณะเป็นตาเดียวกันน้อยเองก่อนหน้าที่เมย์จะอธิบายให้ฟังในเรื่องนี้ก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันแต่ภายหลังจากนํามาทบทวนใคร่ครวนดูแล้วก็เห็นว่าทฤษฎีนี้จะเป็นไปได้มากที่สุด จากอดีตที่เราผ่านพจนกันมาแล้วและจากเหตุการณ์ที่เราเพิ่งจะผ่านมาเมื่อหยกหยกนี้เองเกี่ยวกับการปรากฏตัวหรือร่องรอยของเจ้ายักษ์ไทรันตัวนั้นในกรณีที่บทเราจะได้วีแววของมันก็เหมือนกับว่ามันได้มาอยู่ใกล้ๆเรานี่เองแต่บทที่เราจะไม่พบเห็นตัวมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้ร่องรอยนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น หล่อนเว้นระยะไปนิดหนึง่งชะโงกไปดึงกระติกบรนดีจากตักของพี่ชายกลางมารินใส่ฝาแล้วยกขึ้นจิบเชษฐาชายันและอนุชาคงจ้องจับอยู่ที่หล่อนเป็นตาเดียวแทบไม่กระพริบนี่น้อยอธิบายให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยสิในที่สุดท่ามกลางความเงียบงานกันไปชั่วขณะเชฐาก็กล่าวเตือนขึ้น ฟังให้ดีนะคะในสิ่งที่น้อยจะพูดต่อไปนี้มันไม่ยากเกินไปกว่าที่คนระดับเราจะเข้าใจได้หรอกน้อยจะทบทวนไปถึงอดีตที่ผ่านมาของการเดินทางของพวกเราในครั้งนั้นซึ่งพี่ใหญ่ชยันแล้วก็ขยินที่มาด้วยกันคราวนี้ก็ล้วนพบเห็นผ่าน ผ, านผานจญมาด้วยกันทั้งสิน้นทุกคนอธิบายได้ไหมคะว่ารพินนําเราเดินทางคืบหน้าไปเรื่อยๆ คืบหน้าเข้าไปจนกระทั่งถึงป่าในยุคโลกล้านปีไม่เพียงแต่สภาพของป่าเท่านั้นแม้แต่สัพพสัตทุกชนิดที่เราต้องผจญกับมันก็ล้วนเป็นสัตว์ดึกดำบรรศูนย์พันสิ้นไปจากโลกนี้แล้วทั้งนั้นแต่เราก็ต้องไปพบกับมันต้องรบราต่อสู้ฝา่าฟันกับพวกมันแต่และชนิดซึ่งรู้กันเองเฉพาะพวกเราเท่านั้นไม่อาจจะนามาบอกเล่า ใ, ใครฟัง เพื่อเขาเชื่อตามเราได้เลยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันคืออะไรทั้งสามคนพากันขมวดคิ้วอึ้งไปอีกขณะชฉยันซอยเปลือกตาทีๆอนุชาเอามือจับปลายคางสากไปด้วยเคราวอันยังไม่ได้โกนจ้องไปที่น้องสาวเหมือนจะค้นลึกส่วนเชื่อทานั้นอยู่ในอาการสงบที่สุด สมองของเขาเริ่มทำงานหนักเพื่อจะติดตามความนึกคิดภายในขณะนี้ของดารินให้ทันแล้วก็บอกมาเสียงต่ำๆว่านี่น้อยถ้าจะถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันคืออะไรพี่ก็ยังวิเคราะห์ไม่ถูกหรอกนะแต่ถ้าจะถามถึงความรู้สึกนับจากเวลานั้นซึ่งไม่มีวันลืมเลือนไปได้เลย มาจนกระทั่งบัดนี้พี่ก็คิดแต่เพียงว่าระพินนำเราผ่านเข้าไปในดินแดนสนธยาซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในภูมิศาสตร์โลกและเมื่อมันเป็นแดนสนธยาอะไรต่ออะไรมันก็ล้วนเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่อาจจะค้นหาเหตุและผลออกมาได้ดารินยิ้มออกมานิดหนึ่งจิบบรันดีจากฝากระติกอีกครั้ง แล้วไม่นึกแปลกใจบ้างเลยคะในเมื่อตอนที่พี่กลางกับลุงอินผ่านมาในเส้นทางเดียวกันกับเราชนิดที่เราก็พบร่องรอยหลักฐานการเดินล่วงหน้าไปก่อนอยู่เป็นระยะระยะเนี่ยทำไมพี่กลางกับลุงอินถึงไม่ได้พบกับสัตว์ดึกดำบันขนาดใหญ่โตมาหูลานนานชนิดอย่างที่เราพบกันมาแล้วพ ล, งลังหลนก็หันมาทางพี่ชายคนกลางหรืออดีตพรานชด ถามต่อมาว่าใช่ไหมคะพี่กลางกับลุงอินปฏิเสธในสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ่ายเราทั้งหมดยืนยันว่าไม่ได้พบกระไทรนโนซอรัสไม่พบทรัโคโคดอนทรัคโคเดตไ ด, ดโนเทเรียมไทรเซราทอปซึ่งมันก็แทบจะทำให้พวกเราเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วในครั้งนั้นอย่างมากที่สุดทั้งสองคนก็พบแค่เพียงเสือเขี้ยวดาบ แล้วก็ยิงเอาเนื้อกินเป็นอาหารตอนอดอยากยากแค้นแสนสาหัสเท่านั้นดังเช่นที่เราตามไปพบร่องรอยปรากฏไว้เป็นหลักฐานอนุชาวราริษก้มศีรษะลงรับคำถูกต้องพี่กะลุงอินไม่พบอย่างที่ฝ่ายของน้อยพี่ใหญ่แล้วก็ชัยยันพบซึ่งเมื่อนำมาเล่าให้ฟังพี่ก็แทบจะไม่อยากเชื่อแต่เห็นทุกคนยืนยันกันเป็นเสียงเดียว ฝ่ายของพี่กลางไม่พบแต่ฝ่ายของพวกเราพบบนเส้นทางเดียวกันนี่แหละทุกคนตอบได้ไหมคะว่าทำไมหลอนถามไปยังบุคคลทั้งสามเหมือนจะให้พยายามคิดคำตอบแต่ไม่มีใครสามารถให้เหตุผลกลับหลอนได้เอาล่ะถ้าเธอคิดว่าเธอจะตอบได้ดีที่สุด โดวยวางรากฐานที่พวกเราพอจะรับฟังได้ก็ลองอธิบายสิก็เป็นทฤษฎีแห่งการปรากฏซ้อนเหลื่อมของการเวลาน่ะสิคะเมื่อครู่นี้พี่ใหญ่บอกว่ารับพินนาเราเดินเข้าไปสู่ดินแดนสุนธยาที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในโลกภูมิศาสตร์แต่น้อยขอบอกว่าดินแดนที่รับพินนาเดินเข้าไปนะ่ะมันเป็นดินแดนจริง ที่เคยปรากฏมีอยู่ในโลกแห่งภูมิศาสตร์ของเรานี่แหละเว้นไว้แต่ว่าฟังให้ดีนะคะเว้นไว้แต่ว่ามันเป็นภูมิศาสตร์ของโลกเมื่อยุคหลายหลายร้อยล้านปีที่ล่วงมาแล้วค่ะชยันและอนุชาอนทอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจเช่ถาขมวดคิ้วจนเกือบจะชนกัน พ, พี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะน้อยในอธิบายให้มันกระจ่างกว่านี้หน่อยสิมันหมายถึงอะไรพี่ใหญ่ ย, ยอมรับไหมคะว่าเมื่อสองสามร้อยล้านปีที่แล้วมาเนี่ยเคยมีสัตว์ดึกดำบรรพ์ประเภทนี้ท่องเที่ยวหายจกินอยู่บนพื้นพิภพโลกนี้ใช่ถูกต้องยอมรับแล้วไง ก็ถ้าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาหมุนการเวลาปัจจุบันให้ย้อนกลับไปแบบเดียวกับที่เรารีวายภาพจากม้วนของภา พ, พยนตร์หรือม้วนของเทปบันทึกภาพโดยหมุนย้อนกลับไปถึงการเวลาเดียวกันนั้นคือประมาณสองสามร้อยล้านปีพี่อย่ายอมรับไหมว่าภูมิประเทศของโลกในยุคนั้นก็ดีสัตว์ต่างๆในยุคนั้นก็ดี มันก็จะต้องเดินกันอยู่เพ่นพ่านนี่มันเป็นกฎธรรมดาของวิชาฟิสิกส์อยู่แล้วก็เชิดาหลังเลครางอื้งในลำคอแล้วพยักหน้าช้าๆยอมรับว่าอื ม, มันก็ถูกต้องตามที่น้อยบอกอ่ะถ้าเราสามารถหมุนการเวลาให้ย้อนหลังได้แต่ใครอ่ะจะเป็นคนหมุนการเวลาให้ย้อนหลัง แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะเดี๋ยวน้อยจะอธิบายถึงคำถามประโยคหลังของพี่ใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าขอซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องซะก่อนเพื่อตัดประเด็นที่มันซับซ้อนและสับสนออกไปให้เหลือเฉพาะจุดที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ข้อสรุปตามลําดับขั้นตอนเพื่อจะได้เข้าใจกันอย่างถ่องแท้ถีทัว่วเอาละค่ะ เรามาย้อนพูดกันถึงการเวลาก่อนการเวลาที่เราเรียกกันว่าวันนี้เดี๋ยวนี้ชั่วโมงนี้หรือนบัดนี้กับเมื่อวานเมื่อปีที่แล้วเมื่อร้อยปีที่แล้วหรืออีกร้อยปีข้างหน้าอีกล้านปีข้างหน้าค่ะนั่นเป็นการเวลาที่มนุษย์เรากำหนดขึ้นมาเอง ใช่ไหมคะเพื่อเข้าใจถึงเวลาต่างๆอือแล้วไงอนุชาพยักหน้าเตือนมาอีกก็เวลาที่มนุษย์เรากำหนดขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับนับหรือวัดเวลาบนโลกแต่ถ้าเราพ้นจากโลกนี้ออกไป เราก็คงไม่สามารถนับเวลาตามกฎเกณฑ์เดิมของเราได้เราอาจพบกับเวลาที่แท้จริงที่เรียกกันว่า cosmic time หรือเวลาแห่งเอกภกบพบ universal time อันเป็นธรรมชาติของเวลาที่เราจะต้องศึกษาอีกมากมายนะักโดยกฎเกณฑ์ของวิชาฟิสิกชั้นสูงชนิดนี้แหละคะ่ะที่ทำให้เกิดสภาพ หรือปรากฏตการซ้อนเหลื่อมแห่งการเวลาขึ้นอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะนานสักเพียงไหนถ้าบังเอิญเข้ามาประจวบเหมาะกันเข้าพอดีมันก็สามารถจะพุ่งเข้ามาหาปัจจุบันการได้เหมือนกันแบบแทรกเข้ามาชั่วขณะในทำนองเดียวกันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อาจจะมีเสี้ยวส่วนหนึ่งของมัน โชวผ่านมาให้ได้พบเห็นในปัจจุบันได้เช่นกันมันก็เหมือนกับการตัดต่อภาพยนต์ผิดขั้นตอนเพียงแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆหรือบ่อยครั้งนักเท่านั้นน้อยขอย้ำนะคะว่าอาดีตนะบางขณะมันก็ผูกพวดพลาดเข้ามาสู่ปัจจุบันเพราะเกิดการซ้อนเลื่มแห่งเวลาดังกล่าวและสาเหตุนี่แหละคะ่ะ ที่เราไปพบเข้ากับเจ้าสัตว์ประเภทไดโนซึ่งเคยมีชีวิตอยู่เมื่ออดีตการเหล่านั้นเข้าเพราะเวลาแห่งจั ก, กรวาลมันดึงเอาเราเข้าไปสู่อดีตส่งตัวเราเข้าไปสู่อดีตการไกลลิบลับนั่นทําให้เราต้องไปพบปเผชิญหน้ากับมันเข้าจริงอยู่มันเป็นสิ่งลี้ลับที่สุดแต่มันก็วางรากฐานอยู่บนสิ่งที่มนุษย์เราเคยประสบกันมาแล้ว และได้เคยมีบันทึกเรื่องราวไว้เป็นหลักฐานในหลายต่อหลายกรณีเกี่ยวกับทฤษฎีการซ้อนเหลื่อมแห่งเวลาดังกล่าวนี้ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรเป็นตัวต้นเหตุทําให้เกิดการซ้อนเหลื่อมเวลาขึ้นมาได้บางทีมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจักรวาลก็ได้พอจะมองเห็นอะไรขึ้นบ้างหรือยังคะเท่าที่น้อยอธิบายมาให้ฟัง แล้วนี่ก็เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ในคำถามของพี่ใหญ่เมื่อครู่นี้ค่ะชยันเป่าลมออกจากปากตาเลอเอามือตบขมับแรงๆอยู่หลายครั้งอนุชากรอกบรันดีเข้าปากทั้งกระติกส่วนเชษฐาเม้มริมฝีปากเกิดเป็นเส้นตรงเขากล่าวขึ้นอย่างรอบคอบระมัดระวังว่านี่ นี่น้อยหมายถึงว่าสิ่งที่เราได้ผ่านพบมันแล้วน่ะเป็นสิ่งที่เวลาเกิดการซ้อนเหลื่อมขึ้นดึงเอาตัวเราหรือหมุนเอาเหตุการณ์ในอดีตให้มาบรรจบกันพอดีเฉพาะช่วงขณะหนึ่งจึงทําให้เราได้ผ่านระจญพบกับไอสัตว์โลกล้านปีประเภทไดโ น, โนพวกนั้นใช่ไหมนี่ต้องการแยกเข้าใจอย่างเงี้ยถูกต้องไหมค่ะน้อยหมายความตามที่อธิบายไปแล้วนั่นแหละ ไอ้เลทฤษฎีการซ้อนเหลื่อมเวลาอย่างมหศัศจย์ชนิดนี้เธอก็บอกว่าเมยเมียฉันเป็นคนอธิบายเธอฟังยังงั้นเหรอน้อยชัยันถามมาสีหน้าปั้นยากก็ใช่ฉันได้ความคิดนี้มาจากเมยหรือมาเรียฮอฟมันเมียของเธอนั่นแหละแต่ฉันก็ไม่เคยได้นำเรื่องนี้มาพูดกับพวกเราเลยก็ไม่คิดว่าจะเ อ, อ่ยถึงมันอีกด้วยถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราทั้งหมด กำลังเข้ามาสู่ภาวะของปรากฏการณ์ซ้อนเหลื่อมแห่งเวลาเข้าไปเออแล้วตอนที่พี่กับลุงอินเดินทางไปทําไมถึงไม่พบกับสิ่งเหล่าเนี้เอาละคราวนี้พี่ถามมั่งอนุชากล่าวมาอย่างสุดชมณ์คตาตอบมันก็ง่ายเหลือเกินนี่คะคือระหว่างที่พี่กลางกับลุงอินเดินทางไปนะ่ะมันไม่เกิดปรากฏการณ์ชนิดนี้ขึ้นพี่กลางจึงไม่พบ แต่มันเกิดขึ้นกับฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายออกติดตามไงอะถ้างั้นไอ้ยักษ์ไทรันที่มันมาคำรามให้เราได้ยินอยู่เมื่อหัวรุ่งนี่ชัยยันชี้ไปทางด้านป่าหินฝั่งตรงข้ามดารินพยักหน้าถูกต้องมันเกิดเหตุการณ์ซ้อนเหลื่อมเวลาขึ้นมาอีกทำให้มันมีตัวตนจริงส่งเสียงคำรามให้เราได้ยินจริงแต่เมื่อเวลากลับคืนมาสู่ปกติ หรือหมดภาวะซ้อนเหลื่อมแล้วอดีตก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบันเช้านี้เราจะต้องออกเดินทางกันละแล้วก็เชื่อว่าคงจะต้องตัดไปในป่าหินที่เราได้ยินเสียงคำรามมันนั่นเนี่แล้วเราจะมาดูกันสิว่าได้เห็นร่องรอยอะไรของมันหรือไม่ฉันกล้ารับรองได้อีกละ ว, ว่าเราจะไม่ได้เห็นกระทั่งวิแววร่องรอยอะไรของมันเลยเพราะมันไม่เคยเดินหรือเคยร้องคำรามอยู่ตรงบริเวณนี้ เมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้วผุ้ทางสระนังคฉามิชยันครางออกมาจากลําคอเอามือโปะลงไปกลางศีรษะตนเองนี่ถ้าทฤษฎีที่ว่านี่มีจริงก็ขอภาวนาอย่าให้เกิดการซ้อนเหลื่อมเวลาในเส้นทางที่เราจะเดินไปข้างหน้านอีกเลยจะระคุ แต่ถึงยังไงฟังแล้วก็ยังเข้าใจยากอยู่เองโว้ยปวดกระโหลกด้าริงจุดบุรีอัดควันลึกแล้วเอื้อมมือไปแตะที่หัวเข่าของพี่ชายใหญ่พี่กลางและชา ย, ยันก็คงจะเห็นว่าน้อยพูดจาไรเหลวไหลที่สุดสำหรับพี่ใหญ่คิดยังไงล่ะคะขณะ น, นี้อดีตท่านทูตทหารบุกผู้เพียบพร้อมไปได้วยความคิดอันสุ ข, ขุมคัมพีรภาพพยักหน้าลงเนิบเนบ มันก็อาจจะฟังยากนะแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจหรอกสำหรับสิ่งที่น้อยอธิบายมาพี่เข้าใจว่าน้อยจะพยายามให้พวกเรารับรู้ในปรากฏการณ์พิสดารชนิดนี้ยังไงมัง่งมันหมายถึงว่าเมื่อพวกเราย่างเหยียบเข้ามาในดินแดนนี้การซ้อนเหลื่อมของเวลาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทาให้เราต้องพบกับสิ่งที่เราไม่คาดฝัน เหมือนตกอยู่ในห่วงฝันร้ายเป็นระยะระยะไปอย่างนั้นใช่ไหมค่ะใช่น้อยต้องการให้พวกพี่ๆทุกคนรับทราบข้อนี้ไว้และความหวังของเราก็คือภาวนาอย่าให้การซ้อนเหลื่อมเวลานำเราไปสู่จุดอันตรายเข้ากันแล้วกันเ <_ aligned> <_ uploaded> หตุการณ์เช่นนี้ขออย่าให้มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยครั้งนักขอเราผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพและขณะนี้ ก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องวิตกว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากละแวกที่เรามีชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้พอเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันผ่านไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่ฝันร้ายของเราเท่านั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปดักรอคอยเล่นงานเราอยู่อีกเพราะไม่มีมันอยู่ในโลกขนาดนี้ขอเพียงอย่างเดียวก็คืออย่าให้การเวลามันบังเอิญซ้อนเหลื่อมเข้ามาอีกเท่านั้น อเป็นไงพอจะรับได้มั่งไหมทฤษฎีข้อเนี้ยเชืถาหันไปถามยิ้มกับอนุชาและชัยยันไม่มีคิวอีดีในเรื่องนี้บอกแล้วไงว่าเป็นเรื่องฟังยากปวดกระโหลกที่สุดชัยยันว่าดารินถามย้อนมาทันทีว่าแล้วเหตุการณ์ที่เธอผจญกับไทรันโนสรัสมันแล้วนั่นแหละ เป็นเรื่องที่ฟังยากไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เธอสามารถอธิบายได้ว่าทำไมไทยรันถึงได้มาไล่ตะครุบตัวเธออยู่ในตอนนั้นน่ะคำถามของหลอนทำให้เพื่อนชายงันอึ้งไปอีกเมื่อวานนี้เราพบรอยเท้าของมันจกัจกจักระลุกในตาของเราทีเดียวนะตรงริมหนองน้ำทางด้านป่าหินฝั่งโน้นน่ะ ร่องรอยมันบ่งชัดว่าเดินผ่านประทับรอยไว้เมื่อไม่เกินสองสามวันมานี่เองอนุชาพูดเสียงแผ่วต่ำเคร่งขึมดารินรีตาลงพระหล่อนก็เห็นมายังงั้นเหมือนกันใช่ค่ะเราเห็นในขณะที่เราไปดูกันแต่สำหรับเช้าวันนี้ก่อนเดินทางขึ้นป่าหินเราจะผ่านทางด้านนั้น และจะตรวจดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ารอยของมันยังปรากฏอยู่อย่างที่เราเห็นเมื่อเย็นวานไหมประเดี๋ยวก็รู้ค่ะอ๋อลุงอินเดินมาโน่นแล้วคงจะมาตามพวกเราเพื่อไปทานอาหารเอาเป็นว่าเรื่องนี้ระ ง, งับไว้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งพูดอะไรกแกหรือพวกเราคนใดคนหนึ่งดีกว่าเพราะอธิบายยังไงยังไงพวกเขาก็ไม่มีวันจะเข้าใจหรอกฝ่ายนายจ้างทุกคน ยุติการหารือระหว่างกันเองลงไปเพียงแค่นั้นอาหารมื้อเช้าต่างรับประทานกันอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยต่างก็พร้อมที่จะออกเดินคืบหน้าต่อไปได้เชา้านี้ขยินเมียการแสดงให้เห็นว่าเกิดความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายอย่างเด่นชัดหรือแม้แต่ครูพรานนานอินเองก็ตามท่าทางแกไม่สะดวกปลอดโปร่งใจนะัก แม้ตัวแกเองจะไม่เคยประสบผ่านพบกับเจ้าสัตว์ใหญ่ดุร้ายชนิดนั้นมาก่อนก็ตามแต่จากรอยเท้าที่ไปเห็นไวร้ริมบึงเมื่อวานกระเสียงร้องคำรามของมันเมื่อใกล้รุ่งทำให้พรานผู้เท่ารู้สึกอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกส่วนพวกลูกหาดทั้งหลายยังเป็นปกติกันดีอยู่เนื่องจากไม่ระค่ระคายข้อเท็จจริงอะไรทั้งสิ้นระหว่างทุกคนตรวจ ด, ดูความเรียบร้อยก่อนเคลื่อนย้าย ดารินพยักหน้าเรียกทั้งนั้นอินและขยินเข้ามาพบเพียงสองคนห่างพ้นจากบุคคลอื่นๆพร้อมกับยิ้มให้เป็นไงทั้งสองคนน่ะหลอนทักทายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนปรานีฉันสังเกตดูทั้งลุงอินและขยินจะไม่สบายใจอยู่มากทีเดียวนะไม่เป็นไรไหนายหญิงอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด หนานอินพร้อมเสมอแหละแต่เป็นห่วงไอ้พวกลูกหาพว ก, พวกนั้นอ่ะมันต้องแบกของด้วยเฉพาะตัวหนานอินเองอ่ะถึงยังไงก็เอาตัวรอดได้หนานอินไม่ต้องการให้พวกเราคนไหนที่มาด้วยเนี่ยต้องล้มหายตายจากไปเลยขยินเองก็เอาตัวรอดได้นายหญิงแต่ไม่กล้ารับรองคนอื่นๆเหมือนกันเจ้าอดีตนักเลงโตหล่มช้างพึมพำบอกมา ดารินตบไหลบุคคลทั้งสองอย่างปลอบโยนแล้วบอกด้วยเสียงแผ่วต่ําว่านี่ทั้งสองคนนะคอยเชื่อฉันอย่าตกใจวันไหวกะไรทั้งสิ้นในการที่เราจะออกเดินทางต่อไปเนี่ยฉันรับรองว่าเราจะไม่ต้องพบประจันหน้ากับไอ้มหายักษ์ที่มาทิ้งรอยเท้าไว้ให้เราเห็นหรือว่ามาคำรามให้พวกเราได้ยินเมื่อใกล้รุ่งนี้หรอก สำคัญก็แต่ขอให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามฉันมั่งเท่านั้นะเมื่อฉันตัดสินใจลงความเห็นยังไงในด้านเลือกเส้นทางายินไม่แสดงความเห็นยังไงต่อไปภายใต้สีหน้าทื่อมาลือของมันนานอินนฝืนยิ้มมานิดหนึ่งนานอินน่ะไม่ยากหรอกนายหญิงจะทำยังไงก็ได้สุตนายหญิงจะสั่งนะแต่พรานชดเถะสิ จะยอมฟังนายหญิงหรือไม่านานอินใหม่รู้เพราะพรานชดจะเป็นค้นกาหนดเส้นทางเป็นพี่นายหญิงแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมฟังความเห็นของนายหญิงหรอก <c oughs> เรื่อง น, นั้นไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีข้อตกลงกับพี่กลางไว้แล้วเชื่อว่าเขาจะไม่ดื้อรั้นดันทุรังนักเช้าวันนี้ลุงจะตัดทางบ่ายหน้าไปทางด้านไหนล่ะ ครูพรานชี้มือผ่านบึงที่เห็นอยู่เบื้องล่างนั่นไปจะ้ะโดยชี้ไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือเราจะไปทางนี้ก่อนนันหญิงเลี่ยมป่าหินใหญ่ที่อยู่เหนือบึงฝั่งตรงข้ามไปเลยลุงกลัวว่าถ้าเราตัดไปทางป่าหินซึ่งฉันคิดว่าน่าจะเป็นทางเดินที่ตัดเช่นทางได้มากกว่า แล้วเราอาจจะไปพบกับเจ้ายักษ์ดักรออยู่ทางนั้นใช่ไหมหล่อนดักคอเอียงหน้าถามนันอินไม่ตอบดารินจึงกล่าวต่อไปว่าลุงขะหินบอกพวกลูกหาบทุกคนหรือเปล่าว่าเมื่อเย็นวานะ่ะเราพบรอยเท้าของมันเข้าริมฝั่งโน่นนันอินสั่นหัวก็เมื่อเจ้านายทุกคนสั่งไม่ให้บอก นันอินก็ขยิงก็ไม่ได้ปริปากบอกใครอะแต่ถ้าเราเดินทางไปทางด้านดินนายหญิงว่าถ้าเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันก็เห็นรอยอยู่ดีแล้วถ้าเห็นขวัญมันก็จะเสียแล้วถ้าไม่เห็นรอยตีนเหล่านั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมลุงลุงจะลองเชื่อฉันดูสักครั้งไหมล่ะเชื่อเหรอือเชื่อยังไงอ่ะ น, นายหญิงนั้นอินมีสีหน้าสงสัยไม่เข้าใจคําพูดของหล่อน ก็เฉพาะช่วงเช้าก่อนถึงเที่ยงนี่ขอให้ฉันเป็นผู้กำหนดเส้นทางเองทุกคนไปตามทางที่ฉันชีบอกถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เดินนําหน้าก็ตามฉันต้องการให้พวกเราทุกคนน่ะเลาะอ้อมผ่านบึงที่เห็นนั่นขึ้นไปบนป่าหินตัดไปทางตำแหน่งที่เราไปเห็นรอยตีนของมันเมื่อใกล้ค่ า, าวานนี้นั่นแหละแล้วก็มาดูซิว่า หลอนเว้นระยะไปนิดหนึ่งหันกลับไปทางคณะพักทั้งหมดซึ่งบัดนี้มองเห็นเชิดถาชัยันและอนุชาซึ่งพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วกาลังหันมามองดูอยู่ที่กลุ่มของหล่อนซึ่งเดินแยกห่างออกมาพบกันโดยเฉพาะห่างไม่เกินสิบเมตรลุงเรามาดูสิว่าไอ้รอยตีนใหญ่ที่เราเห็นกันไว้แล้วนั้นเมื่อเย็นวาน ชาวนี้มันจะยังปรากฏอยู่เหมือนเดิมไหมทั้งนั้นอินและข ย, ยินยิ่งไม่เข้าใจหนักขึ้นไปต่างจ้องหน้าหลอนขมิญอ่ะนายหญิงก็ถ้าร้อยตีนมันไม่เหลืออยู่แล้วมันจะหายไปไหนละ่ตละตลาดข้างยังก็บอกกว้างๆมันจะหายไปได้ยังไงแค่คืนเดียวอะ่ะฉันเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาได้ มันก็หายไปได้เมื่อค่าวานนี้พวกเราที่ไปเห็นทั้งหมดอาจจะตาฝาดไปพร้อมๆกันก็ได้นี่เอาละอย่าเพิ่งพูดอะไรเอาเป็นว่าเราไปกันเถอะนายใหญ่เรียกมาแล้วจบคำพูดที่ทิ้งไว้เป็นปริศนาที่ไม่มีการอธิบายบอกเล่าให้รายละเอียดใดๆ ด, ดารินก็ตวัดไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือขึ้นสายไลเหมือนกับจะมีความแน่ใจขีดสุด ว่าหล่อนยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานมันอย่างแน่นอนแล้วชวนทั้งขยินงกับหนานอินให้เดินเข้าไปสมทบกับกลุ่มของเชฐษฐาที่ตะโกนเรียกมาการเดินทางเริ่มขึ้นณบัลนัา ง, งานดารินพยักหน้าส่งสัญญาณให้หนานอินซึ่งได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วให้ทําหน้าที่ออกเดินนำหน้า มุ่งไปตามทิศทางที่หล่อนบอกเมื่ออนุชาสงสัยทำท่าจะอ้าปากถามหล่อนก็กระซิบบอกว่าไม่อบอกให้แกนำทางไปด้านนั้นเองเลยค่ะจะได้ไปดูด้วยว่ารอยเท้าที่เราเห็นน่ะจะยังปรากฏอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นี่เป็นการพิสูจน์เบื้องต้นในทฤษฎีซ้อนเหลื่อมเวลาที่น้อยพู้กับผู้พี่ๆไว้แล้วไงทั้งสามชายมองดูหล่อนอย่างงงๆ ก็ถ้ามันยังปรากฏอยู่เหมือนเดิมล่ะน้อยก็แปลว่าเรายังตกอยู่ในสภาวะซ้อนเหลื่อมของเวลาโดยยังไม่เข้าสู่เวลาของโลกปัจจุบันซึ่งเราจะต้องระมัดระวังตัวขีดสุดเพราะอาจจะพบมันได้ในละแวกใกล้เคียงในหนทางข้างหน้าในป่าหินนั่นแหละแต่ถ้าไม่พบร่องรอยอย่างที่เราเห็นเมื่อวานก็แปลว่าเวลามันกลับคืนมาคงเดิมแล้ว เราไม่ต้องกลัวว่าจะต้องพบปากกับมันอย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาเนี่ยก็ดีมันจะได้พิสูจน์ชัดกันออกไปซะเลยว่ามันเป็นไปได้ตามทฤษฎีที่น้อยว่าเอาละพวกเราทั้งหมดเดินตามหนานอินไปเชิดาบอกมาเสียงหนักๆอนุชากะชยันยังอยู่ในสภาพเงียบสงบไม่เอ่ยคำใดออกมาทั้งสิ้น ต่างจมอยู่ในห่วงคิดอันแสนจะสับสนร่างของครูหนานอินครูพรานผู้เฒ่าออกเดินดุมดุมนำหน้าไปก่อนแล้วโดยตัดลงจากเนินใต้เพิงหินที่เข้ามาอาศัยพักหลบนอนกันอยู่เมื่อคืนและขบวนทั้งหมดก็ตามกันไปเป็นทิวแถวทั้งชายยันและอนุชายังคงถือเครื่องยิงระเบิดขนาด40ม ม, มพร้อมอยู่ในมือ อย่างไม่ยอมประมาทกับสิ่งใดทั้งสิ้นส่วนไรเฟิลประจำตัวนั้นสะพายอยู่กระไหลนอกจากนั้นยังสั่งให้รื้อเอาไรเฟิลกวาดล้าง M16 ทั้งสี่กระบอกบรรจุลูกพร้อมให้พวกลูกหาบสะพายไหลติดตัวไปด้วยกระสุนแม้จะเล็กก็จริงแต่อำนาจการยิงรัวเร็วที่สามารถจะประเคนเข้าไปได้พร้อมกันมากมา ก, มา ก, มาก ชยันผู้ผ่านหลักยุทธการมาอย่างดีเยี่ยมแล้วย่อมทราบได้ว่ามันน่าจะให้ผลได้ดีกว่าการมัวแต่จะมาคอยยิงอยู่ทีละนัดจากไรเฟิลขนาดใหญ่ซึ่งปฏิบัติการเชื่องช้า ก, กว่าอีกประการหนึ่งระเบิด40มมที่ถืออยู่ในมือขณะนี้ยิงอยู่แม้อานุภาพทำลายจะไม่เท่ากับธนูติดระเบิดในโรที่แงซายเคยใช้ก็จริง แต่อำนาจการอัดระเบิดของมันก็น่าจะทำให้อายักษ์ถ้าบังเอิญจะพบเห็นประจันหน้ากันเกิดอาการมึนงงเชื่องชาหลงได้บ้างถึงไม่อาจจะคว่า ม, มันลงได้อย่างเฉียบขาดทันทีก็ตามผ่านป่าปามและปรงุงอันมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่ท่ามกลางแสงอารามของตะวันยามเช้าที่ส่องให้เห็นภูมิประเทศรอบด้านโดยเด่นชัด เท่าที่สายตาจะกวาดไปถึงได้ชั่วไม่นานก็อ้อมชายบึงตืงต้นๆอันมีานาบริเวณกว้างใหญ่พอประมาณนั้นบรรลุถึงตำแหน่งที่ไปตรวจพบรอยเทา้าไอ้ยักษ์ใหญ่กันไว้ก่อนเมื่อหัวค่ำของวันวานนันอินซึ่งล้าไปเบื้องหน้ากำลังยืนเกาหัวก้มลงตรวจดูพื้นบริเวณนั้นอย่างประหลาดใจพิลึกอยู่ ส่วนพวกลูกหาบก็พากันเดินไปด้วยกิริยาปกติไม่มีอาการสะดุดใจสนใจกับพื้นที่ผ่านไปใดๆทั้งสิ้นแล้วบายหน้าไตาทางลาดกรวดทรายเข้าหาป่าหินซึ่งนั้นอินได้โบกมือให้ล่วงหน้าไปก่อนตัวแกเองยังคงเดินวนเหมือนจะค้นหาอะไรอยู่ยังบริเวณขอบบึงนั้นจนกระทั่งฝ่ายเจ้านายทั้งหมดเดินตามเข้ามาถึง ทุกคนจำได้อย่างแม่นยำว่าตำแหน่งไหนบ้างที่มาพบรอยเท้าของอไอ้ยักษ์ไทรันเหยียบย่ำไว้เป็นบ่อกว้างและลึกและช่วยกันแยกกระจายค้นหาเชฐาอนุชาและชยันอ้าปากค้างตะลึงคอแข็งกันไปหมดในสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏชัดกับตาที่เห็นเห็นอยู่เฮ้ยอะไรกันวะเนี่ย ก็่รอยเท้าของมันหายไปหมดละก็เห็นอยู่ทนท่อมาวานนี่ว่าเสียงชายันอุทานขึ้นอย่างตกใจขณะที่เดินตรวจ ด, ดูรอบๆเิดถามเ ม, ม้นริมฝีปากแน่นใบหน้าเป็นสีเลือดขึ้นอย่างเห็นชัดด้วยความปีติผสมกับความรู้สึกที่ไม่อาจจะกล่าวถูกอนุชามไม่ละความพยายาม เขาพยายามเดินตรวจหาไปอีกไกลทีเดียวแล้วหันกลับไปคำนวณทิศทางกับตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของแคมเมื่อคืนเพื่อวัดระยะเส้นทางคำนวณมุมจากภูมิประเทศอันตนได้กำหนดไว้แล้วยามเมื่อมาพบรอยเมื่อวานว่ามันควรจะอยู่ในตำแหน่งไหนแต่ไม่ว่าจะตรวจหาสักเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏว่าจะพบรอยเท้าของเจ้าไทยรันเลยแม้แต่รอยเดียว พื้นทรายปนก้อนกรวดเล็ ก, ลกๆบริเวณนั้นราบเรียบเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าจะมีรอยตีนของสัตว์มาประทับไว้เป็นบ่อลึกเลยแม้แต่บ่อเดียวอดีตพรานชดหันไปส่งเสียงพูดอะไรเร็วปรือกับพรานเท่าคู่ใจของเขาซึ่งบัดนี้กายเองก็อยู่ในภาวะตาเหลือยกมือกุมขมับอย่างงงๆไปหมด ดาริงยืนมองดูภูมิประเทศของพื้นที่บริเวณ น, นั้นด้วยความพินิษเช่นกันรอยยิ้มแห่งความสมหวังปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของหล่อนแต่ก็ไม่แสดงอาการตื่นเต้นอะไรออกมาให้ปรากฏชัดขยินเองก็ยืนตัวแข็งหน้าซีดไม่มีสีเลือดในความมหัศจรรย์ที่มันพบเห็นมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หรอคะ ที่จะมีอะไรมากรบเกลื่อนลบร่องรอยขนาดใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่เมื่อวานเนี่ยน้องสาวคนเล็กของคณะเอ่ยขึ้นน้ำเสียงใสดวงตาเป็นประกายมองศาสตร์ไปยังกลุ่มพี่ๆทุกคนระหว่างที่เชิฐาและช ย, ยันยังยืนกับพริบตาปริบปริบด้วยความประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวได้อดีตครันชดและหนานอินกับขยินไม่ละความพยายาม ต่างช่วยกันแผ่ขยายวงกว้างออกไปเพื่อตรวจบริเวณเพื่อจะค้นรอยเท้าขนาดใหญ่นั้นให้ได้ความจริงพื้นที่บริเวณ น, นั้นก็ไม่ได้มีมุมอับหรือสิ่งกีดขวางกำบังใดๆทั้งสิ้นมันเป็นขอบบึงในที่โลง่งและพื้นนอกจากจะเป็นผิวทรายแล้วจะมีปะปนอยู่บ้างก็เพียงกอวัชพืชโบราณเล็กๆที่ขึ้นรวมกลุ่มกันประปราย เป็นหย่อมเตี้ยๆเท่านั้นไงคะพี่กลางมีวิแววหลงเหลืออยู่บ้างไหมดารินร้องถามมาอนุชาหนานอินและขยินเดินสีหน้าปั้นยากที่จะอธิบายเข้ามารวมกลุ่มอีกครั้งมันแปลกจริงๆน้อยแปลกยังมากทีเดียว เราค้นไม่พบรอยที่เราพบเมื่อวานนี่เลยไม่มีแม้แต่วีแววและบริเวณของพื้นก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยไอพื้นที่เราพบเมื่อวานนะ่ะดูเหมือนจะเป็นพื้นที่แฉกวันนี้แต่ที่เราพบเช้าวันนี้น่ะมันเป็นพื้นทรายปนกรวดแห้งสนิทและภาพต้นไม้ที่เราเลี้ยวกลับไปมองเมื่อวานเนี่ยตรงบริเวณที่เรากำหนดเป็นที่พักมันก็เปลี่ยนลักษณะไปอีกเช่นกัน ดารินสูตรลมหายใจลึกนั่นจิแล้วทุกคนบอกน้อยได้ไหมคะวันนี้มันคืออะไรเมื่อวานนี้ใกล้ค่ําเรามาพบกับรอยตีนของมันตรงนี้แหละพอรุ่งเช้าก็เดินมาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งรอยของมันหายไปไหนหมดแล้วถ้างั้นทฤษฎีการซ้อนเหลือมเวลาของเธอมันน่าจะพิสูจน์ชัดออกมาได้แล้วละมะั้ง เชื้าภายหลังจากนิ่งไปนานได้เอ่ยขึ้นมาเสียงแผ่วต่ําเอามือเกาปลายคางเต็มไปด้วยอาการครุ่นคิดและไตรตรองลึกซึ้ง